สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองและ ว, วันนี้ผมก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับบูชารกแมวย่าดากับนนยืนมองแม่แมวท้องแก่ ที่กำลังยืนกินเศษข้าวอยู่หน้าบ้านอย่างหิวโหวยยาดาได้ยินมันร้องเรียกอยู่ตั้งแต่เมื่อตอนเย็นเมื่อออกมาดูก็เห็นเป็นแม่แมวตัวสีดำตาสีสม้มท้องกลมโตยาดาเป็นคนที่รักแมวมากเคยเลี้ยงแมวมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่นนไม่ค่อยชอบสัตว์เท่าไหร่เมื่อยาดาเอาเศษอาหารมาให้นนเลยดูท่าทางไม่ค่อยพอใจคุณไปเอาข้าวให้มันกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ติดใจเดี๋ยวมันก็มาทุกวันหรอก ยาดายิ้มใจเย็นสงสารมันนะคะนท้องมันแก่แล้วมันก็คงจะหิวมากเนะ่อีกหน่อยเดี๋ยวมันก็คลอดลูกแมวน่ารักน่ารักนะนนถอนหายใจอย่างไม่พอใจก็อย่ามาคอดที่บ้านเราก็แล้วกันสวยใจหาเลยแค่นี้ก็จะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วหลังจากวันนั้นมาแม่แมวดำยังคงมาขออาหารกับยาดาทุกวันนนเห็นก็บ่นทุกวันเหมือนกัน แต่แล้วจูจ่ๆวันหนึ่งนนก็เดินมาพูดกับยาดาว่าเออฉันเคยได้ยินมาว่าล็อกแมวเนี่ยมันเป็นเครื่องรางนำโชคเรียกโชคเรียกล拉บมาให้ได้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเธอเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม ย, ยาดาอมยิม้มใช่แล้วค่ะนนเขาเชื่อกันว่าล็อกแมวเนี่ยถ้าเราเอาไปคลุกกับขมิน้นแล้วทิ้งให้แห้งให้เป็นรูปร่างคล้ายๆถุงเนี่ยจะสามารถช่วยเรียกทัพย์เรียกโชคเรียทรัพย์สินเงินทองให้เราได้มากมายเลยถ้าเราค้าขายเนี่ยเราก็จะขายดี ถ้าเราทำงานเนี่ยเงินทองก็จะไหลามาเทมาด้วยนะเมื่อได้ยินยาดาผู้เป็นภรรยาพูดดังนั้นนนจึงยิ้มออกมาเออเข้าท่าแฮะงั้นเดี๋ยวให้มันคลอดที่บ้านเราก็แล้วกันเผื่อจะได้เก็บรุกมันเอาไว้นาโชคไงเพียงไม่ถึงอาทิตย์หลังจากนั้นแม่แมวท้องแก่ก็เดินมาเรียกยาดาแต่เช้าเช่นเคยแต่ครั้งนี้มันกลับไม่สนใจอาหารที่ยาดานามาให้เลยสักนิดกลับร้องกระวนกระวายไม่หยุด ยาดาสงสัยว่ามันคงจะเจ็บท้องคลอดแล้วเลยรีบเข้าบ้านไปหากล่องกระดาษใบใหญ่ๆสะอาดๆมาให้มันใช้เป็นที่คลอดและหาเสื้อผ้าเกา่เกาๆนุ่มๆ ม, มาวางไว้ให้ด้วยแม่แมวเดินเข้าไปในกล่องอย่างว่าง่ายไม่นานก็เริ่มเบ่งลูกตัวแรกออกมาวันนั้นทั้งวันยาดาเฝ้าแม่แมวที่คลอดลูกออกมาทีละตัวโดยความตื่นเต้นและเอ็นดูในขณะที่นนยืนมองดูอยู่ห่างๆ และคอยมาดึงเก็บรกลูกแมวแยกไว้ไม่ได้นะนนนแม่แมวอ่ะมันต้องกินรกของมันมันจะได้กระตุ้นน้านมมันมันจะได้แข็งแรงนนนไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ไม่ยอมคืนรกแมวให้แม่แมวคลอดลูกออกมาทั้งหมดสี่ตัวเขาก็เก็บรกมันมาทั้งสี่อันจากนั้นก็นำมาคลุกกับผงขมิน้นและเอาไปพึ่งแดดไวรอให้แห้งยาดาถอนหายใจด้วยความไม่สบายใจ เธอหานมสดมาให้แม่แมวเลียกินหลังคลอดเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็จะได้มีแรงเลี้ยงลูกของมันแม่แมวเลี้ยงลูกของมันทั้ง4ตัวอยู่ในบ้านยาดาในสองสาวันแรกหญิงสาวมีความสุขมากยิ่งเห็นลูกแมวที่ออกมาแต่ละตัวมีสารพัดสีทั้งขาวส้มลายเทาและก็ลายวัวแต่ละตัวขนฟูฟ่องเธอยังแอบตั้งชื่อให้แต่ละตัว และมาถ่ายรูปน่ารักนรักเก็บไว้อีกหลายรูปน่ารักตรงไหนตาก็ยังไม่ลืมเลยยังกับตัวนอ่อนเอเลียนนะนนว่าเดี๋ยวถ้ามันแข็งแรงดีแล้วเนี่ยย้ายมันไปอยู่ที่อื่นนะเราเลี้ยงมันไม่ไหวหรอกเธอโท่นนคะ่ะยาดาครวนลูกแมวมันยังอ่อนมากนะคะให้เวลามาสักอาทิตย์เถอะนอนเพยักหน้าตัดความราคาญวันรุ่งขึ้น ยาดาออกไปทําธุระนอกบ้านนนไปอ่านเจอในเน็ตมาว่าแมวห้าหมาสเป็นอัปมงคลเขาเลยนึกขึ้นได้ว่าแม่แมวกับลูกมันรวมแล้วก็เป็น5้าตัวพอดียิ่งไม่ชอบแมวอยู่แล้วยิ่งรู้สึกรุนแรงมากขึ้นนนท์ฉวยโอกาสตอนที่ยาดาไม่อยู่เดินออกไปที่กล่องแมวเห็นแม่แมวกับลูกมันกําลังหลับอยู่นนหยิบลูกแมวลายตัวหนึ่งออกมาแล้วก็โยนข้ามกําแพงบ้านทิ้งออกไปนอกถนน ลูกแมวกระแทกพื้นถนนขาใจตายในทันทีแม่แมวเห็นอย่างนั้นก็รีบลุกขึ้นตามลูกออกไปทั้งที่ยังอ่อนเพลียขาบลูกที่ตายแล้วเข้ามาริมทางและพยายามเลียตัวลูกให้ฟื้นขึ้นเมื่อเห็นว่าลูกตายแล้วมันก็ร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนานนเห็นแล้วก็ใจคอไม่ดีเลยเดินกลับเข้าบ้านไปยาดากลับมาบ้านในตอนเย็นเมื่อไม่เห็นแม่แมวและลูกแมวจึงตะโกนร้องถามอ้าว หายไปไหนหมดแล้วนอ่ะนนทําำหน้าตาเหมือนไม่รู้เรื่องไม่รู้ดิแม่มันคงคาบย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วมั้งบ้านเราอากาศร้อนจะตายยาดาพยักหน้าอืมแต่มันกำลังน่ารักเลยอ่ะเสียดายจังเลยหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นแม่แมวดำและลูกๆของมันอีกเลยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ยาดาขอออกไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดและบอกว่าจะกลับมาค่ำๆ นนจึงอยู่บ้านคนเดียวค่ำนั้นนนได้ยินเสียงเปิดประตูรัว้วก็เดินออกไปดูเห็นยาดาเดินตัวแข็งทื่อเข้ามาในบ้านยืนอยู่หน้าประตูและจ้องหน้านนแปลกๆดวงตาของเธอนั้นแวววาวและเธอก็พูดขึ้นมาว่าโรคแมวที่จะนําโชคต้องให้แม่แมวทิ้งเอาไว้ให้ไม่ใช่ไปขโมยของมันมานนขนลุกอย่างไม่รู้สาเหตุ ด, ด, ดาเป็นอะไรนะ่ะ แ, และทําไมต้องทําเสียงแบบนั้นด้วย ไม่เข้าบ้านเหร อ, อยาดาทำตาแวววาวเหมือนกำลังโกรธมึงฆ่าลูกกูถ้ากูไม่เห็นแก่เมีย ม, มึงนะกูไม่เอามึงไว้แน่นนตัวชามือเท้าเย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังมาจากในบ้านนนเดินถอยหลังเข้าบ้านแบบงงงรับโทรศัพท์พลางมองหน้ายาดาที่ยืนอยู่หน้าประตูอย่างไม่เข้าใจฮลัลโหลนนคืนนี้ดาค้างที่บ้านแม่นะ นอนทานข้าเลยไม่ต้องรอนอนสะดุ้งสุดตัวคุณเล่นอะไรเนี่ยดาก็คุณเขาว่าแล้วหันไปทางประตูเห็นร่างยาดาที่ยืนอยู่ก็ใจหายวาบเขาเรีบวางโทรศัพท์แล้ววิ่งขึ้นไปบนห้องคว้าเอาห่อผ้าที่ห่อรกแมวไว้ออกมาพลางพนมมือแล้วพูดเสียงสัน่นมึงเอาคืนไปเลยกูไม่เอาแล้วอย่าจองเวนกูเลยกูขอโทษแต่พ่อเปิดห่อผ้าออกดูพบเพียงผงสีเทาเหมือนเท่ากระดูกของอะไรก็ช่าง ถ้าเจ้าของเขาไม่ได้เต็มใจให้แล้วมึงไปขโมยมามันไม่มีวันสับสิทธิจจำใส่กระ บ, บานเอาไว้ด้วยเสียงนั้นดังออกมาจากทางหน้าต่างห้องนอนเมื่อ น, นนหันกลับไปดูเห็นเพียงหลังของแมวดำตัวหนึ่งที่กระโดดหายไปในความมืดมิดและไม่กลับมาให้เห็นอีกเลยพระลึกลับตอนตีสอง ผมมักจะดื่มเหล้าสังสรรค์กันทุกวันศุกร์ผมทำอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีก่อนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนแต่พฤติกรรมการดื่มเหล้าทุกวันศุกร์ไม่เคยเปลี่ยนเช่นเดียวกันหากสถานที่ดื่มเหล้าไม่ไกลจากที่พักผมก็มักจะใช้วิธีเดินกลับคืนนี้วงเล่าเลิกตอนตีสองผมไม่เมาแต่พอมึนๆออกจากร้านก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนที่พักผมห่างไปประมาณกิโลเศเศษไฟทางไม่มืด บาทวิถีโลงผมเดินลากเท้าไปจนเจอเข้ากับพระภิกษุรูปหนึ่งพระรูปนั้นเดินช้าๆอยู่ข้างหน้าผมราวร้อยเมตรผมเพิ่งสังเกตเห็นหลังจากไฟจากรถคันหนึ่งที่ส่องกระทบจีวรสีเหลืองอร่ามผมหยุดกึกแต่พระไม่หยุดยังคงก้าวช้าๆเหมือนกับเดินจงกรมค่อยๆวางเท้าซ้ายก้าวหนึ่งแล้วก็วางเท้าขวาอีกก้าวหนึ่งวางเท้าแต่ละข้างอย่างละเมียดระไม่ แต่มันก็แปลกนะสิดึกเดินยามวิการเช่นนี้ไม่ได้อุ้มบาทเพื่อบินธบาตมามือเปล่าเท้าเปล่าไม่ได้ห้อยถลกบาทไม่มีอัฐบริขารไม่ใช่พระทุดงแถมยังเดินด้วยท่าทางสุดประหลาดระยะห่างระหว่างผมกับพระหดสั้นลงเรื่อยๆผมสังเกตว่าดึกป่านนี้พระยังมาออกเดินท่อมๆกลางถนนทาไมตีสองเนี่ยไม่ใช่เวลาเดินบิธบาตแน่นอน ยังคงจำวัดแล้วก็ยังไม่ตื่นมาทำวัดเช้าซิด้วยซ้ำผมเริ่มชักปวดหวานแล้วล่ะสิแถวนี้ก็ไม่มีวัดสักแห่งแต่ก็จำได้แม่นว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีรถกระบะบรรทุกพระสงฆ์ไปทำบุญบ้านแล้วมาคว่ำแถวแถวนี้มรณภาพกันไปก็หลายรูปมันชักจะยังไงล่ะสิผมหันกลับไปมองอีกทีคราวนี้พระสงฆ์รูปนั้นหายไปแล้วผมโล่องอกในทีแรก แต่แล้วก็ต้องคนลุกสู้พระจะหายไปได้ยังไงในเมื่อถนนเส้นนี้ด้านหนึ่งเป็นคลองโล่งเรียบถนนแต่อีกด้านเป็นผนังโรงเรียนอาชีวะทอดยาวไปและไม่มีประตูข้างเลยผมพยายามรีบเดินให้เร็วขึ้นด้วยสายตาที่ชัดเจนขึ้นรู้สึกเหมือนจะเริ่มสั่งแล้วแต่เดินเดินไปกลับรู้สึกแปลกๆเมื่อมองไปรอบตัวอีกทีปรากฏว่าผมเดินกลับทางเดิมเดินกลับไปทางร้านเหล้า ทั้งที่ตั้งใจะจะเดินกลับหอเฮ้เราเมาขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยผมคิดอย่างงงๆก่อนจะเดินหันหลังกลับแต่แล้วก็ต้องพังะตกใจจนเกือบหงายหลังเมื่อเห็นพระรูปเดิมเดินเข้ามาทางผมอีกระยะห่างกันราวห้ิเมตรคราวนี้พระเดินเหมือนจงกรมแต่เงเนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าคอตั้งฉากับพื้นถนนภาพนั้นแปลกประหลาดมากจนทาให้ผมต้องขยี้ตาหลายครั้ง พระรูปนั้นเริ่มเดินเซไปมานิดหน่อยแต่ยังคงแงวนคอตั้งฉากผมเห็นท่าว่าไม่ปกติแน่แล้วเลยหันหลังวิ่งกลับไปทางร้านเหล้าที่ผมเพิ่งกลับออกมายิ่งวิ่งก็เหมือนจุดหมายจะยิ่งยืดยาวไปทุกทีผมวิ่งจนเหนื่อยหอบหันหลังกลับไปมองพระรูปนั้นอีกครั้งด้วยความหวาดระแวงปรากฏว่าคราวนี้แกหยุดเดินแล้วหันหลังเดินกลับไปอีกทางผมแอบโล่งใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่วางใจมากนักโอ้ยเฮียคนหรือผีวะน่ะ ผมใจสั่นทำอะไรไม่ถูกนึกขึ้นมาได้ก็เลยโทรหาเพื่อนที่เพิ่งแยกแยะ ก, กันไปเมื่อครู่นี้เฮ้ย hey, ไอปลาเกา๋ามึงไปไกลยังวะกลับมารับกูหน่อยดิเอ้ยกูออกมาไกลแล้วไอ้ปลาเก๋าตอบในสายมึงมีอะไรหรือเปล่าวะมีเรื่องเหรอเออดิผมตอบพลางหันกลับไปดูด้วยความหวาดระแวงพระรูปนั้นยังคงเดินไปอีกด้านคราวนี้เดินลากขาซ้ายปแปลกๆเหมือนกาลังบาดเจ็บที่กูเจอพระ น่ากลัวเฮี้ยเลยวะมาแล้วกูหน่อยดิเขาทําร้ายมึงหรือเปล่าละ่ะเปล่าเออนั่นจะ ก, กลัวทําไมวะพระนะเว่ยมีผีสัตว์มึงจะพูดทําไมวะกูยิงกูกลัวอยู่ผมด่ามันเสร็จก็เริ่มกังวล น, น้อยลงเพราะดูท่าทางแล้วพระประหลาดนั่นจะเดินไกลออกไปทุกทีคงไม่มีอะไรแล้วละมัง้งเออเออไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวกูเรียกแท็กซี่กลับบ้านดีกว่าวะอย่างน้อยก็มีเพื่อน ไอปลาเก่ามันหัวเราะก่อนวางสายไปเฮ้อมึงคำไม่เถอะไม่เจอแบบกูบ้างให้มันรู้ไปผมเก็บโทรศัพท์แล้วเดินไปทางถนนใหญ่กะพึ่งพี่แท็กซี่เป็นเพื่อนเข้าบ้านขณะเดินออกไปอย่างสบายใจขึ้นไม่วายอดใจไม่ได้ให้หันกลับไปดูอีกทีคราวนี้ผมร้องอุทานลั่นตกใจกลัวจนหัวตั้งสางเมาส้นเชิงเมื่อเห็นพระลูกนั้นวิ่งตรงมาทางผมด้วยความเร็วสูงอย่างไม่น่าเชื่อ ผมร้องล่่นไม่เป็นภาษาคนวิ่งซอยเท้าข้อไปทางถนนใหญ่อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้มาก่อนในชีวิตก่อนจะพุ่งตัดหน้ารถคันหนึ่งเข้าแสงจากไฟส่องเข้าตาผมจนมองอะไรไม่ออกก่อนที่จะวูบไปเช้า ว, วันต่อมาไอ้ปลาเก๋าก็มานั่งข้างๆผมที่เตียงโรงพยาบาลเออเป็นไง สรุปมึงเมาแล้วก็หลอนวิ่งตัดหน้ารถดีนะพี่คนขับเขาเอามึงมาส่งโงพยาบานะ่ะแล้วโทรบอกกัเพราะว่าเจอเบอร์กูเป็นเบอร์สุดท้ายในเครื่องโทรศัพท์มึงเนี่ยออดีนะไม่ตายหา่าและตอนนั้นเองชายคนที่ขับรถคันนั้นก็เดินเข้ามาอ่าน้องเป็นไงตื่นแล้วเหรอเออแปลกดีเหมือนกันนะเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอผมกับไอ้ปลาเกา๋าหันไปมองหน้าเขาพร้อมกันด้วยความสงสัยก็ตอนที่น้องวิ่งมาตัดหน้ารถพี่อะ่ะ รถพี่เหมือนชนกับพระรูปหนึ่งกระเด็นไปติดฝากระโปรงเลยอะแฟนพี่นิกฤตจะเป็นลมเลยแต่พอลงไปดูไม่เห็นมีพระนะเจอแต่น้องนอนอยู่คนเดียวเนี่ยนั่นแหละครับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับผมและจนทุกวันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าพระรูปนั้ น, น, นเป็นอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือผมไม่กล้าดเดินไปไหนตอนเด็กๆคนเดียวกันเลยครับไม่เอาอีกแล้วล ป้าขายรตเตอรี่ป้าสีแกอายุเกิน70ปีแล้วแต่แกก็ยังนั่งขายรตเตอรี่อยู่ริมทางแกมีบุ ค, คลิกท่าทางแปลกๆคนมาซื้อรตเตอรี่หากพูดจาไพเราะกับแกแกมักจะพูดจาคมขู่ห ย, ยาบหยาบคล้ายๆใส่อยู่เสมอตรงกันข้ามหากพูดจาหยาบคายหรือหุ้นหนใส่แกแกมักจะพูดจาสุภาพกลับมา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่ค้าขายของใกล้ๆกันหรือลูกค้าซื้อลอตเตอรี่มักจะเห็นแกชอบนั่งพูดพึมพำอยู่คนเดียวหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในซอยที่ป้าสีนั่งขายลอตเตอรี่แม่ค้าพ่อค้าไม่รู้จักหน้าค้าตาอาจจะเพราะว่าเธอเพิ่งมาอาศัยอยู่ใหม่หรือไม่ก็มาจากที่อื่นหญิงสาวเห็นป้าสีแกนั่งพูดพึมพำแปลกๆก็เลยลองเอ่ยถามป้าสีว่าพูดอะไร 22? หนูอายุ 22? ป้าพูดพลางจ้องมองหน้าใ ช, ใช่ป้าอายุ 22? ิสหญิงสาวผงะเล็กน้อยแปลกใจที่ทำไมทราบอายุของตัวเองนั่นนะเห็นคนที่ยืนซื้อผ ล, ลไม้อยู่ข้างทางนั่นไหมนั่นน่ะ38ผู้ชายที่ยืนข้างๆนั้น27ไอแม่ค้าใน23่สส่วนผัวของมันใน28่ โ oh, ูป้าป้าไทยอายุคนได้แม่นขนาดนั้นเลยเหรอป้าสียิ้มไม่ตอบแต่พูดว่าเออคนสมัยนี้น่ะมันบาปหนาไม่ชอบทำบุญทำแต่บาปอีแม่ค้านั่นมันครบชูอ่ะรู้ไหมผัวของมันก็กินแต่เรานานๆทีทิ้งจะออกมาช่วยเมียข า, ายของสักครั้งว่าไปเมียมันสวมเขามันก็สมควรอยู่หรอกอะไรนะป้าหนูไม่เข้าใจอะ่ะ ผู้หญิงที่กำลังซื้อแตงโมอยู่นั่นน่ะกระอบขอโมยของของบริษัทตัวเองไอ้ผู้ชายนั้นก็ขายยาบ้าโนนน่ะที่กำลังเดินเข้ามามันก็พึ่งชนคนตายไม่ถึงชั่วโมงนี้เองช่างไม่รู้สึกรู้สาเอาเสียเลยคนอะไรเออแล้วป้ารู้ได้ไงอ่ะหญิงสาวพูดพลางนึกในใจว่าป้าคนนี้ต้องเพี้ยนแน่ๆเธอกาลังจะเดินหนีป้าก็พูดขึ้นมาว่า หนูเองก็พึ่งมาอยู่ซอยนี้เสียเลี้ยงละสิหญิงสาวตกใจป้าคนนี้รู้ได้ยังไงแต่ป้าสีก็ยังพูดต่ออยว่าที่จริงป้าก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องพบผัวเมียหนูทําให้เมียเสียต้องนอนร้องไห้ทุกคืนแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดหนูทั้งหมดหรอกไอ้ตัวเสียนั่นด้วยมันต้องรับผิดชอบอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าตบมือข้างเดียวมันไม่มีทางดังได้หรอก หญิงสาวมีอาการกโกรธที่เหมือนถูกหลอกด่าเธอคิดจะเดินหนีแต่ความที่ป้าแกรู้เรื่องของเธอได้ทั้งๆที่เธอไม่เคยบอกใครเลยแถวนี้การทายเรื่องเสียเสียหายหายของคนซื้อผลไม้รวมทั้งแม่ค้าขายผลไม้นั่นมันทำให้เธอสนใจและแปลกใจมากป้าเป็นหมอดูเหรอไม่ใช่แต่ว่าฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าป้าหมายถึงอะไรเกิดขึ้นตรงหน้า ที่บอกว่าหนูอายุ22แม่คะผัวมันแล้วก็คนที่มาซื้ออายุเท่าไร่จริงๆมันไม่ใช่อายุหรอกหญิงสาวงุนงงป้านี่ถ้าจะเพี้ยนไปซะจริงๆแล้วประสีก็พูดต่ออีกว่าที่ป้าบอกมันคืออายุไขต่างหากฮะอะไรน ะ, อ, ะอีกไม่ถึงสามนาทีมันจะมีรถเบรกแตก พุ่งมาชนแม่ค้าชนคนซื้อแล้วก็ชนหนูที่ยืนตรงนี้ตายหมดทุกคนเลยบ้าแล้วนี่ฉันกำลังคุยกับคนบ้าอยู่เลยเนี่ยหญิงสาวตาวาดใส่ปส้าสีแต่ถ้าหนูอยากรอดนะซื้อลอตเตอรี่ของป้าสิโธ่เอ้ยป้าบ้าที่แท้กับวิธีหลอกขายลอตเตอรี่ของแกสินะโถเวเอ้ยอุสายืนฟังตั้งนานแหมคุณ น, น่ะ ป้าสีพูดไพร่ขึ้นมาทันทีเชื่อดิฉันสิคะแค่ซื้อเลขอายุของตัวคุณเองคุณหนูอายุ22ก็ซื้อเลขสองสองเท่านี้ก็รอดตายแล้วป้าเออีป้าบ้าหญิงสาวยิ่งตะคอกเสียงดังจนผู้คนหันหน้ามามองแม่ค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวก็เล่าเรื่องให้ฟังป้าสีมองหน้าแม่ค้าคนนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่า อีนางพรเองอายุยังไม่ถึงคาดแต่ถ้าเองมายืนตรงนี้เองจะตายโหนงเอานะเวย้ยจะถูกรถชนไปด้วยแล้ววิญญาณของเอง เ, องเนี่ยจะวนเวียนไปอีกหลายสิปีเลยเนี่ยก่อนจะหมดอายุไขทรมานทรกรรมนะเวย้ยข้าว่าเองอย่ามายุ่งเลยดีกว่าถอยออกไปแม่ค้าชื่อพรนึกฉุนกลัวอีป้าในบ้าแล้วไปสีสัญญาเถอะป้าคนหาอะไรก็ไม่รู้รู้อนาคตของคนอื่นรู้ความตายของคนอื่น บ้าชัดๆเลยกูเตือนมึงแล้วนะอีพรปราสีพูดเบาๆไปเถอะอีนังหนูอย่าไปสนใจอีป้าประสาทนี่เลยไปเถอะแม่ค้าชื่อพรหันไปพูดกับหญิงสาวทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงรถเบรกดังเ e อียดอาดดังลั่นมาแตกไกลหลายคนหันไปดูเห็นเป็นรถกระบะสีดำทยานข้ามมาจากเกาะกลางถนนกำลังพุ่งตรงเข้าไปที่แผงขายผลไม้ของแม่ขา้า ผ่านไปอึดใจเดียวป้าีพูดขึ้นขณะมองศพของแม่ค้าสามีแม่ค้าผู้ชายและผู้หญิงที่มาซื้อและโดยเฉพาะกับหญิงสาวโอ่อีนางหนูเอ้ยข้าบอกแล้วข้าบอกวิธีรอดให้เองแล้วแท้ๆเฮ้อบุญของเองคงมีเพียงเท่านี้ป้าียืนมองแผงลอตเตอรี่ของตอนเองที่ล้มเละเทะคนเยอะแยะมากมายแย่งกันเก็บลอตเตอรี่ของแกแม่ มันเปรดชัดๆไอ้พวกนี้ก่อนหันไปพูดกับแม่ค้าที่ชื่อพรข้าบอกเองแล้วอีพรว่าอย่ามายุ่งแม่ค้าชื่อพรซึ่งตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวในสถานะใหม่ลุกขึ้นได้ยินภาษีพูดเหมือนดังมาจากที่ไกลๆว่าไปอีพรไปกับข้าเถอะเดี๋ยวข้าจะพาไปอยู่ด้วยขอขอบคุณที่มาเรื่องเล่า